สองอาทิตย์นี้มีพวกเราที่ไปทำบุญโรงพยาบาลอะไเขียนช็อตโน้ตมาบอกหลวงพ่อเยอะเงินนะอนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะทางวัดก็ทำนะหลวงพ่อคุณแม่พวกนี้พวกพระในวัดเรามีเงินอยู่กองหนึ่งด้วย กองกลางของพระรวมกั น, ะปนไปทมบุญที่โรงพยาบาลสมเด็จศิริราชาได้ลานห้าแสนกว่านะช่วยเหลือคนที่เขาลำบากนะช่วยเขาแต่ก่อนเราไปปล่อยสัตวนะ์ปล่อยไปเยอนะแล้วหลายร้อยตัวแนละ้วนะช่วยคนบ้าง คนลำบากเนี่ยเยอะมากนะยุคนี้สภไพคนแก่ที่ไม่มีใครดูแลเนี่ยจะเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสังคมเรายังไม่ได้มีระบบอะไรจะรองรับสิ่งเหล่านี้มุ่งพัฒนาไปเรื่อยๆนะคนที่ลำบากเราเนียไม่มีคนดูแลเท่าไหร่พวกที่อยู่ในยุค เบบี้ปูมเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่เบบี้แล้วเป็นะอยู่ในยุคบอ่อแบแล้วนะสมัยโบราณไม่มีระบบสังคมรองรับคนแก่ก็อยู่ในครอบครัวนะทำหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานส่วนใหญ่ลูกๆก็ไปทำไร่ทำนากัน ครอบครัวมีคนเยอะอยู่กันมากมายโอพุลทุกคนมีคุณค่าอย่างคนแก่ไปทำนาไม่ไหวก็ยังมีคุณค่าเลี้ยงหลานเลี้ยงเห้นเลยแไปนี่พอระบบสังคมมันเปลี่ยนคนแก่เราถูกทอดทิ้งถ้าเป็นฝรั่งนะเขามีรัฐสวัสดิการมีอะไรสงเคราะห์ดูแล แต่พวกนี้จะได้รับการดูแลในทางร่างกายนะจิตใจนี่เหงาเมันอยู่ตัวคนเดียวถึงขนาดบา ง, บางเมืองมีกฎหมายเลยกุญแจบ้านทุกหลังเนะี่ยต้องปัะปีฝากไว้ที่ตำรวจเพราะว่าไม่มีคนตายคนแก่หรืออะไร ่องที่คนหนุ่มสาวอยู่คนเดียวตายอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านจะดูว่าบ้านนี้ไม่เปิดประตูมาหลายวันแล้วก็วโทรบอกตำรวจมาไขดูเอาศพไปชีวิตคนไม่ค่อยมีความสุขอย่างพวกนี้ฝรั่งเขามีอยู่มีกินแต่ไม่มีความอบอุ่น ของเราตอนนี้มาถึงจุดที่อบอุ่นก็ไม่อบอุ่นมีกินก็จะไม่มีกินนะพวกคนแก่ๆแบบไม่มีใครดูแลนี่เยอะมากเลยนะเยอะก็นทุกทีทัเราไม่ได้เตรียมรองรับสิ่งเหล่านี้เนะหพวกเราช่วยตัวเอง แต่ก่อนทำงานเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งนะาก็กินดอกเบีย้ยก็อยู่ได้แต่นี้ดอกเบีย้ยก็ไม่พอใจ้กินลำบากให้คนแก่ไปลงทุนทำนูนทำนี้ก็เจ๊งตามโลกไม่ทันดูแล้วลำบากมากพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนากันวันข้างหน้าเราอาจจะต้องอยู่คนเดียว อย่างหลายบ้านพยายามมีลูกสังคมยุคนี้พอเด็กโตเด็กก็ไปหมดแล้วอย่างนั้นก็ไปเรียนเหลือแต่คนแก่อยู่ที่บ้านสองคนถ้าแต่งงานนะถ้าไม่ได้แต่งงานก็อยู่คนเดียวอยู่สองคนแล้วสุดท้ายก็เหลือคนเดียวก็ตายไปคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมที่จะอยู่คนเดียวให้ได้ แล้วถ้าเราเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีแรงกระทั่งจะไปหาข้าวจินอะไรเงี้ยเปิดตู้เย็นก็ไม่ไหวนอนอยู่คนเดียวที่พื้นลุกไม่ได้ละทำยังไงร่างกายก็ทิ้งมันไะปร่างกายเป็นของสุดโสมเราทิ้งไปไปรักษาจิตเอาไว้ดวงเดียวนี่นะอยู่อับพุโธพุโธไปนะจนมาราสุดท้ายของชีวิตก็ยังดี เลยเดินปัญญาถ้าใจแข็งพอนะเห็นในร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์มันเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยมาชั่วคราวะแต่ว่าอยู่มาหลายปีแล้วสุดโทมพังละถึงเวลาที่เราต้องทิ้งบ้านหลังนี้แล้วดูไปไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้สอนตัวเองไปเลยไม่ผูกพันธุ์กาดดีดไม่กังวลถึงอนาคต อย่างหายใจอยู่ก็มีสติอยู่ฝึกให้ได้อย่างนี้นะไม่กังวลผูกพันไปถึงอดีตไม่กังวลไปถึงอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันไปถ้าบุญบา ร, รมีพออาจจะบรรุมรรคผลตอนจะตายเลยก็ได้เียวไม่พอก็มีเชื้อที่จะไปภาวนาต่อ ยยามตัดเนะครื่องรกรงรังในใจเราอดีตอย่าไปคิดถึงมันไร้สาระโยเวนสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตนะต้องทบทวนเคยทำอะไรผิดทำอะไรพลาดเนี่ยทบทวนได้ข้อสรุปไหมแต่วก็ไม่ไปประนามตัวเองหรือประนามคนอื่นในอนดีตอีกละเอาบทเรียนไว้เฉยๆเพื่อได้ไม่ทำผิดอีกแค่นี้ก็บนะุญพอแล้ว ไม่อะไรกังวลถึงอดีตนะไม่กังวลถึงอนาคตเพรอนาคตสั้นทุดๆู่เราใกล้ตายแล้วมันก็หาเรื่องกังวลได้อีกนะตายแล้วจะไปไหนไปไหนก็ช่างบันเถอะเอาปัจจุบันนี้แหละมีสติไปหายใจไปพูโทโษไปแค่นี้ก็บุญ น, นักหนาแล้วฝึกนะวันหนึ่งไม่แน่เราจจะต้องเจอสภาวะอย่างนี้ บางคนไม่เจอนั่งรถแล้วรถทับตายไปก่อนไม่ได้เจอสภาวะต้องอยู่คนเดียวตายตายอยู่ข้างถนนทำตัวให้พร้อมนะเำภาวนามีสติไปเรื่อยๆไอ้เรื่องที่จะทำให้เราขาดสติลดรดซะบ้างนะเมื่อวานก็มีพระมาองค์ อยนี้เ่ยยู่เลยเพราะวัดไหนวัดครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำไปมาถึงหลวงพ่อกำลังสอนนี่ก็ไล่สดไล่สดโอ้ท่านใจบุญอยากให้คนอื่นได้ฟังด้วยแล้วก็มองไม่รู้ตัวถึงเวลาหลวงพ่อไปสอนพระน่ะก็มาไล้สดหลวงพ่อห่างกันเมตรกว่าๆเนี่ย พรอก็บอกเลยว่าพระบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้เล่นมือถือมีแต่เรื่องวิบัตินัปฏิบัตินะหลงอยู่กับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่มีทางได้กินหรอกกิเลสเอาไปหมดถ้าถือนิสัยหลวงพ่อเนี่ยอย่างพระที่อยู่ในสังกัดหลวงพ่อเนี่ยเรียกว่าถือนิสัยหมายถึงคออยู่ใต้ปกครองหลวงพ่อต้องมาขอนะไม่ใช่อยู่หลวงพ่อไปปกครองเองมาคอนิสัยคือมาคออยู่ใต้ปกครอง ถ้าพระที่ขอนี้ใส่หลวงพ่อเนะีควักมือถือมาเล่นอย่างเนี้ยหลวงพ่อไล่ออกเสววัดทันทีเลยไม่ได้มีมาดวีแววศักดิ์สิรนักปฏิบัติติดตัวเลยสักนิดเดียวบอกนี้ท่านหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะเป็นอาคันตุกะอุปชาอาจารย์ของท่านเราต้องว่าท่านหลวงพ่อไม่เกี่ยวแต่หลวงพ่อไม่สอนสอนคนวันนี้คนนี้เป็นไหมไม่สอนแล้หรอก ไม่เคารพพระธรรมวินัยไม่เคารพอินเทอร์เน็ตมากกว่าพระธรรมวินัยสอนไม่ได้นต้องให้กรรมลงโทษดูไหมหลวงพ่อถามพระว่าหลวงพ่อดูไหมเนี่ยพระข้างนอกก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่พระข้างในหลวงพ่อนี่ดุดูจะน่ากลัวเลยดูไม่ดูพวกเราก็รู้ด้วยตัวเอง เวลาสบตาหลวงพ่อเรารู้สึกยังไงเนี่ยสบตาที่หลอว่าวาบว่าวเลยนอยากปฏิบัติทำนะมาตั้งอกตั้งใจฟังทำแล้วมานั่งไล่สดบ้าบอคอแตกอะไรเหลวไหลที่สุดแต่ไม่ไม่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะ เวลาที่เราได้เจอครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะเนี่ยมีน้อยเต็มทีนะหลวงพ่อเนี่ยขึ้นไปกราบหลวงพูดโดนได้หกครั้งเองแต่ว่ามาเจอในกรุงเทพตอนท่านป่วยเนะเจอได้เรื่อยๆท่านมาอยู่หลายเดือนเื็ทีแล้วก็ไปหาได้แทบทุกวันครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปกราบไปเรียนไปเพื่อเรียนกรรมฐาน ไม่เอากิเลสไปโอ้วัดสัยท่านหรอกไปเรียนกรรมฐานา่าลดละกิเลสตัวเองถึงเวลาก็ไปส่งเงินบ้านที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนผมผมทาอย่างนี้อย่างนี้ผมเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้มันถูกแล้วไม่ถูกถ้าถูกแล้วทํายังไงชะดีวันนี้ถ้าผิดพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยชี้ให้หน่อยผมมองไม่เห็นคือเรามองแล้วเราไม่เห็นว่าเราผิดตรงไหนเลย แต่ส่วนใหญ่ที่ภาวนาเนะเห็นสิ่งที่ทําผิดตลอดเวลาเลยบางครั้งน้อยครั้งที่ต้องไปถามครูบาอาจารย์บางครั้งผิดเราไม่รู้ว่าผิดครูบาอาจารย์บอกให้เลยก็มีไปเจอหลวงปู่บุญจันท่านท่านจวบอไม่รู้จักท่านท่านให้พระมาเรียกไปหาท่านจวบเอาภาวนาเลยนิพพานอะไรมีเข้ามีออก นี่ครูบาอาารย์บางองค์พอเห็นหน้าท่านก็เรียกหลวงปู่สิมนะฤทท่านเยอะเจโตท่านไหวมากนะเห็นหน้าท่านวากวาดมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี้เราส่งจิตเข้าไปข้างในเรากลัวจิตออกนอกเราส่งจิตเข้าข้างในท่านเห็นเราทําผิดท่านก็บอกให้บางองค์เราก็ถามไปถามหลวงตามหามบัว พ่อม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมกตัวจิตอยู่แต่ทําไมเป็นปีแล้วไม่พัฒนาท่านมองหน้าเราปับ๊บท่านก็บอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเราหน้าตัวนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนหลวงพบริกรรมแล้วใจไม่เอาไม่ชอบหว่อกลับมาธรรมานาปันสติจิตรวมปุ๊บขึ้นมารู้เลยว่าผิดตรงไหน ผิดตรงที่จิตไม่เข้าฐานที่หลวงพ่อบ่นพวกเราเลยจิตไม่เข้าฐานที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์บอกให้หรือไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยเจ็ดครั้งจากครูบาอาจารย์หองคนะ์ส่วนใหญ่ถามองค์ละครั้งหรือท่านแก้ให้ไม่ได้เพึ่งครูบาอาจารย์มากกว่านี้เลยนะเวลาที่เหลือเนี่ย ใช้อยนิโสมนสิกาลสังเกตตัวเองว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไหมตรงกับที่ครูบาอาจารย์บอกไหมสังเกตเอาแล้วเรารู้ว่าเราทําผิดตรงไหนไม่รู้จริงๆหรอกเจอครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้วันที่เราไปถามท่านก็บอกให้ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนเป็นระดับที่เราไม่ต้องพูดหรอก แท่นบอกให้เองสุขอนบ้านเมื่อวานเมื่อวานที่หลวงพ่อชี้ให้ค่ะจริงๆเป็นจุดที่ติดมาเป็นอาทิตย์เลยคือจิตไม่ถึงฐานแล้วอยากให้มันถึงฐานค่ะ <c oughs> ก็เลยเห็นว่ามันดิ้นรนแล้วก็มีความพุ้งซ่านลงพานใจค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมันไปถึงจุดหนึ่งเห็นมันคลายลงเป็นจิตที่ธรรมดามากขึ้น เราก็ <Okay. S 1> เริ่มกลับมานั่งสมาธิได้เริ่มกลับมาเข้าสมาธิได้ทีครูบา <Okay. S 2> จารย์บอกก็ไม่ด่อัอนที่ <Okay. S 2> เวลาจิตฟุ้งซ่านนะพวกเราบางคนกระทั่งระดับผู้ช่วยสอนบางคนเนละสอนเยอะไปจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วไปนั่งสมาธิจิตไม่ลงทำไมฟุ้งซ่านแล้วไปนั่งสมาธิก็ไม่ลง ถ้ามันลาคาญใจนะอุทจจาระลันตอปกอุขจจามันคาญนะใจไม่เป็นกลางถ้าใจเป็นกลางนะแป๊บเดียวก็เข้าแล้วนะนะบางคนบอกแม่เหลือเวลาน้อยจะต้องทํางานใหญ่เหุ้ยเหลือเวลาตั้งหลายวันเยอะเราสองสามมือใจก็พอแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางว่าเข้าที่แล้วปุ๊บกเข้าที่เลยอยู่ที่รู้หลักนะตามไม่ถูก อูทัดจากเกิดแล้วก็ตอบกูขุจามันไม่มีความสงบหรอกทาไงก็ไม่หายรสึกว่าออกลับไปบริกรรมแล้วดีขึ้นค่ะหลวงพ่อจะพยายามดีดดเวลาเราบริกรรมช่วงแรกๆมันจะตึงไปนิดหนึ่งนะเป็นทุกคนอะ่ะไม่ต้องตกใจถึงแล้วเราก็รู้ว่าตึงเดี๋ยวมันก็พอดีเบื้องต้นจะเอาให้พอดีเนยะจะหย่อนนะนักพูด อย่าพูดเยอะนะเราช่างพูดรู้สึกว่าเมื่อวานมันจะพุมน้อยลงหรอคะหลวงพ่อเตือนนั่นแหละเราเป็รอบภูมิค่ะแล้วอยากให้หลวงพ่อสั่งให้มันไปทําในรูปแบบอะคะ่ะหนูสั่งแนตะ่มันไม่ค่อยทําหลวงพ่อก็สั่งมันไม่ได้หรอก <laughs> มันมีคนที่เก่งกว่าหลวงพ่อสั่งได้สั่งว่าอย่าทํานะตัญหาเนี่ยสั่งเราตลอดคิดว่าหลวงพ่อสั่งมันน่าจะฟัง <laughs> ไปฟัรอกไปคิดถึงนะชีวิตเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วพี่นายเรื่อยๆไม่มีเวลาจะเมาส์เล่นแล้วไม่มีเวลาจะขี้เกียจแล้วสอนไปไปทุกวันทุกวันอย่างนี้นะเราเราจะตายวันไหนเราไม่รู้เราเราใกล้เข้าไปทุกวันทุกวันแล้วสอนอย่างนี้ยแล้วมันจะไม่ขี้เกียจ มัรกการหลวงพ่อคะ่ะได้ฟังธรรมมาสองวันคะ่ะแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ขอถวายาการปฏิบัติทุกครั้งเป็นพุทธบูชาคะ่ะอนุโมทนานะมรรษกการหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อให้ไปปฏิบัติว่าต้องให้ขยับให้ปฏิบัติก็ไปเดินจงกรมะคะ่ะเมือม่อวานมาเดินจงกรมในศาลาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกว่า มีสมาธิดูสุดโตวามากขึ้นกลับบ้านก็ไปเดินนะเดินทุกวันพยายามก็ไม่มีอะไรทาําบ้านกี่ชั้นลนะสองสามชันสามชั้นโอ้สบายเลยปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมขึ้นบันไดลงบันไดนะอถ้าขาสติก็กลิ้งลงมาเลยเ <c oughs> ออยากจะไม่กล้าขาสตินะสติดีก็ค่อยไต่ไต่ แต่ถ้าไต่เมื่อยๆแล้วก็เดินรับๆได้เดินรอบๆเดินเคลื่อนไหวหาไม่กวาดมาหนึ่งกวาดไปเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ควรนั่งสมาธิใช่ไหมคะฟุ้งไปนั่งดูกกลดูกายไปค่ ะ, คะขอพระคุณมากค่ะมีเวลาห้านาทีใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อพ อ, พอจำเป็นนะ อยู่ข้างท้ายห้องเลยพวกที่เหลือนะอนี่ก็ไปเรียนกับผู้ช่วยสอนมีเยอะแยะผู้ช่วยสอนของหลงพก็มีการประเมินผลเป็นระยะระยะนะเพราะว่าผู้ช่วยสอนเองก็ยังต้องภาวนานอยู่อีกไม่ใช่ว่ารู้แจ้นแทงตลอด เงินบางช่วงบางคนไปติดวิปัสสนูบ้างอะไรบ้างพวกนี้ไม่ให้สอนต้องหุดสาล้วพาคนผิดไปก็มีนะบางคนทิฏฐิมาหน้าแรงอลยสอนล้วพาคนผิดไม่ให้สอนก็มีเขาเก่งเฉพาะตัวสอนคนอื่นแล้วเสียก็มีบางคนสอนคนอื่นตัวเองก็ทําได้สอนคนอื่นก็ได้บางคนตัวเองทําได้สอนคนอื่นไม่ได้ บางคนแปลกกว่านะั้นนะตัวเองทำไม่ได้แต่สอนคนอื่นได้มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เชื่อถืออะไรไม่ก็ได้เนี๋ยเราก็พาหลงนะในประเภทเนี่ยเยอะตัวเองทำไม่ได้หรอกแต่สอนเญ่งเลยมีบางคนนะอาจารย์เข้ามาเล่าเขาตอบกระทูในเฟ e b o o k ของเขาอะมีคนมาแย่งตอบอยู่เรื่อยเลยหลพ่ากองธรรมดาธรรมดา คนอยากสอนธรรมะมนะันมีเยอะทั้งๆ ท, ที่ไม่ควรจะสอนเป็นเวลาที่ต้องสอนตัวเองคนที่ควรจะสอนธรรมะได้มีน้อยแต่ว่ามักจะไม่อยากสอนอยากจะสอนแต่ตัวเองอีกจะพวมร้อนวิชาไม่ได้กินนะอ้าว่าไปค่ะกลับสวัสดีหลวงพ่อค่ะสวัสดีขุนหม้อนี่แล้วไง สราไม่ได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อนานมากล่ะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อชอบดักคอว่าเอาที่จําเป็นเมื่อก่อนหนูก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่วันนี้จชิงๆไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าเราภาวนาถูกแล้วภาวนามาได้ดีแล้ว <c oughs> เห็นพัฒนาการของตัวเองไหมค่ะ <c oughs> นั่นแหละทําถูกแล้วดูไปเรื่อยๆนะค่ะก <c oughs> ิเลสอะไรแทรกแซงเข้ามาก็คอยรู้ถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสก็บงการพฤติกรรมของเรา พฤติกรรมเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมทางใจหรือวงการความคิดพฤติกรรมทางวาจาวงการคําพูดพฤติกรรมทางกายวงการการกระทํำกิเลสวงการถ้าเราคอยรู้เท่าทันกิเลสเรื่อยๆมันวงการเราไม่ได้เราเสียสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้ น, นดีเพราะวนาถูกจริงๆมีคําถามนิดนึง่ะคะม า, าไป เมื่อเช้าจิตแข็งมากไม่รับธรรมะเลยอะคะ่ะจนม า, เ, าเริ่มเซสชั่นรอบสองะคะ่ะแล้วก็ใจมันเริ่มคลายขึ้นแต่จริงๆตอนแรกคำถามที่เตรียมไว้คื อ, อตอนพักอะคะ่ะคิดว่าจะไปเดินแล้วก็ทำเตรียมตัวเอาไว้ให้ใจมันน้อมดีะะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่คิดว่าจะอยาก ภาวนาใจมันเขาบล็อกแล้วก็ไม่เอาแล้วก็อึดอัดอะค่ะอืมก็ถูกแล้วตัณหาคือความอยากนําความทุกข์มาให้ไม่ใช่นำความสุขมาให้ก็ถูกแล้วแต่ว่าพอมันอยากแล้วมันรู้สึกว่ามันโดนบล็อกก็เลยไปต่อไม่ถูกว่าเราควรจยังไงต่อค่ะรู้อย่างที่มันเป็นอยากรู้ว่าอยากบล็อกรู้ว่าบล็อกค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอผ่าไว ทุกบุญกุศลที่ได้ทำทั้งทานสิ่งภาวนาเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายหลวงพ่อปะโมุตค่ะอนุโมทนาหนูพูดช้าไปขอถวายทุกบุญที่เคยทำฟังร้สดุ้งเอาไหมเขาถวายทุกเขาถ้าถวายทุกบุญนี่เอาข้ามา คือว่าหนู่นเคยใช้คําบริกรรมแล้วมันก็ติดขัดช่วงหลังก็เลยมาดูกายแล้วก็กลับไปดูคําบริกรรมด้วยตอนนี้ก็เลยสับสนเพราะว่าเวลาใช้คําบริกรรมเนี่ยมันก็เห็นนะคะแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับตัวเองอะไปเพ่งๆบ็อกๆไว้แต่พอมาดูกายเนี่ยก็จะเห็นความพิริพิไลของตัวเองว่าเป็นคนขี้เบื่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็จัดท่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ คือมันก็จะเห็นว่ามันมีการแล้วก็มันก็เหมือนกับจะเคิมเคิมเพลินเพลินอะคะ่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้หนูควรจะไปไปทําอะไรก็ทํ า, าทกรรมฐานอะไรก็ เ, เอาสังหารให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะอย่าจับจดทำโน้นทํานี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้เรื่องหรอกไอ้เข้มแข็งไว้อดทนไว้จะพุโทโธหายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ทำไปเถอะทําเป็นสอย่างหนึ่งก่อนเป็นจุดตั้งต้นคล้ายๆเราจะวาดรูปนะ เราวาดยังไงก็ไม่สวยนะทีแรกเราก็วาดอะไรส่งเดชไว้สักอย่างหนึ่งแล้วเอาไปให้อาจารย์อาจารย์รจะสอนแก้ตรงนี้แก้ตรง น, นี้งั้นตอนตอนั้งต้นเราทำตุกาตาสักตัวหนึ่งมายถึงทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆมาปรับสิ่งที่ผิดออกไปทาําอย่าไปเชื่อมันว่าจะทํำยัง ไ, ถ ง, ง, ง, ไถ ง, งถึงจะดีทําไงถึงจะถูก ยิ่งทําให้ฟุ้งซ่านทําอะไรก็ได้ทําำไปสักกานหนึ่งแล้วก็อ่านใจตัวเองไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวเมื่อค่อยดีขึ้นดีขึ้นนามส ก, การค่ ะ, ะมา<ต>ไปกระสอบถามหลวงพ่อเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติอะคะ่ะถ้าสมมตินหนูหนูพูดดังนิดนึงยกใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติอะคะ่ะคือตอนนี้ก็ ดูกายแต่ว่าก็รู้สึกว่าเวลาปฏิบัติจริงๆมันมันก็จะดูดูใจที่พุ่งไปด้วยแล้วก็สลับกอบกายแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูเอาเป็นดูปัจจุบันเพื่อที่จะเรียกสติให้มันกลับมาอยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้หนูทำถูกหรือยังะคะถูกถูกนะสติรู้กายก็รู้รู้จิตก็รู้เราอยู่ในกายในจิตแล้ใช้ได้ เกิดกายเกินจิตใช้ไม่ได้ก็คือถึงแม้มันจะไปดูลมดูใจไปอยู่ที่เท้าหรือจะไปไหนก็ช่างมันจุดสำคัญคือเรารู้จิตจิตไปอยู่ที่ลมเรารู้จิตไปอยู่ที่เท้าเรารู้จิตไปคิดเรารู้ในวิหารธรรมจริงๆเราคือตัวจิตนะได้มีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆจิตไปอยู่กับพุทโธก็รู้จิตไปอยู่กับลมก็รู้จิตไปอยู่กับเท้าก็รู้จิตไปอยู่กับความคิดก็รู้จิตไปอยู่ในจอ ทีวีก็รู้อะไรย่างนี้รู้ทันจิตไปได้ด้วยงั้นถูกแล้วใช่ไหมคะเออไปทำเอาค่ะอ๋อหลวงพ่ออีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าเวลาเราเราปฏิบัติในรูปแบบตามเวลาที่เราเออเราตั้งใจเอาไว้แล้วเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะในชีิตประจําวันอย่างเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะหนูควรทำอะไรดีอะคะมันเบื่อมันจะพอจะไปปฏิบัติต่อมันก็ใจมันไม่อยากเพราะมันเบื่อเบื่อแล้วเบื่อเบื่อรู้ว่าเบื่อแล้วก็ปฏิบัติไป ดัดสันดานมันนะเวลามันชี้เกียจปฏิบัติแนละ้พามันปฏิบัติให้เข็ดเลยหลวงพ่อก็เคยใช้นะตอนเป็นโยมอะ่ะอย่างกลงคืนนะหลวงพ่อใช้วิธีดื่มน้ําเยอะๆจะได้ตื่นมาฉี่บ่อยๆทุกครั้งที่ตื่นมาฉี่เนี่ยถ้าจิตยังงวงเงียอยู่ไม่สวานะ่างโปรงแจ่มใสนี่ยหลวงพ่อจะไม่นอนต่อแล้วหลวงพ่อใจแข็งถือขนาดว่าไม่ลุกขึ้นเดินนะนั่ง แล้วนั่งถ้ายัางง่วงเงีย่อยู่นะก็จะนั่งไปเรื่อยๆตั้งใจไว้อย่างนี้นะใจเนี้มันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปพอตื่นนอนปุ๊บสว่างปึบเลยนะมันไม่กล้า ง, ง่วงเงียมกลัวเราภาวนาทั้งคืนข้สอสู้มันนะเบียร์แน่มันขี้เกียจมันก็ขี้เกียจทุกคนแหละแต่ขี้เกียจเราเดินนะสอนมาเลยถ้าวันไหนขยันก็นั่งวันไหนขี้เกียจพามันเดินเลย ดัดสันดานมันทีหลังมันกลัวเราถ้าเรากลัวมันเราก็เราก็แพ้มันไปเรื่อยๆนี่อยู่ข้างหน้าแถวที่สองข้างหน้านี้เลยน้ำส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อหนูมาอขอถามคำถามเป็นครั้งแรกค่ะ ไม่ไม่ได้เรียกว่าส่งกันบ้านละกันนะคะคือหนูปฏิบัติด้วยกันเดินจงกรมเพื่อฝึกสมถะทีนี้หนูไม่รู้ว่าหนูเผลอไปเพ่งหรือว่ามันคือการจดจ่อในแนวของสมถะหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีวิธีดูเพื่อแยกมันยังไงว่าอันไหนเผลอไปเพ่งแล้วอันไหนไม่เดินซิเดินข้างหน้านี้ลืมทุกคนไป เหมือนเราอยู่คนเดียวเดินคนเดียวอย่างนี้เป็นสมถะนะนี่สมถะร้อยเปอร์เซนตร้อยห้าสิบเอร์เซนเดินให้เหมือนมนุษย์เขาเดินได้ไหมเออเดินไปแบบคนธรรมดาเดินนะเดินรู้สึกตัวเราไม่ได้เดินนับเท้า เนี่ยจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดลงไปคิดรู้ว่าลงไปคิดจับได้ไหมที่หลวงพ่อสอนนละเดินไปธรรมดาเนี่ยนละจิตลงไปคิดรู้ว่าลงไปคิดลงไปคิดแล้วสุดทางยงกลมหยุดก่อนเ๋ย่เพิ่งหัน พอไปสุดทางก็หยุดรู้สึกตัวให้สบายๆก็หันมาหันมาแล้วก็หยุดอย่าเพิ่งเดินเนี่ยเห็นไหมจิตมันเดินก่อนขาเมื่อกี้นะ เ, เดินอีกเนี่ยลองไปคิดอืมใช้ได้ อย่ายืนนานยืนพอรู้สึกตัวก็เดินเลยยืนนานเดี๋ยวหลงเราเดินเอาความรู้สึกตัวจะทำสมาธหรือจะทำวิปัสสนาก็ตามต้องมีสติขาดสติตัวเดียวทำอะไรไม่ได้เรื่องหรอกเออคนนี้ว่าง่ายดี เ, เดินไปเข้าที่ไปเพราะฉะนั้นตัดไปนี้ไปเดินแบบนี้นะเดินเอาสติไม่ใช่เดินเอา จะทำสมถะจะทำวิปัสสนาเลยมันเป็นเองนะขอให้มีสติสักก่อนคนระับวันนี้เท่านี้นะ